สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตนะครับในหัวข้อเรื่องว่าผลจากความโง่เขาและเบาปัญญาพี่น้องครั บ, พ, บพระเจ้าของพระเจ้าครั้งนี้สุภาษิตก็เป็นตอนที่เจ็ดแล้วนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบสี่ จนถึงข้อที่3ามสิบสามโปรดฟังพรชนะของพระเจ้าพอเราได้เรียกเจ้าแล้วและเจ้าปฏิเสธเรากวักมือแล้วไม่มีใครสนใจเจ้าไม่ได้รับรู้คำแนะนำของเราและไม่ยอมรับคำตักเตือนของเราเลยฝ่ายเราจะหัวเราะเยาะความหายณะของเจ้าเราจะเยาะเมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้าเมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้าอย่างพายุและความหายณะของเจ้ามาถึงอย่างลมบ้าหมู เมื่อความทุกข์และความระทมใจใหญ่หลวงมาถึงเจ้าแล้วเขาจะทูลเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราเพราะว่าเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าเขาไม่รับคําแนะนําของเราเลยแต่กลับดูหมินคําตักเตือนของเราทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขาและอิ่ม ด้วยกลวิธีของเขาเองเพราะคนโง่ถูกฆ่าก็ด้วยการหันกลับจากปัญญานั่นเอง <c oughs> และคนโง่ที่หลงเพลิดเพลินก็ถูกทำลายแต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดเพิ่มพึงในความชั่วร้ายที่นงคับเมื่อวานนี้นะครับผมพูดถึงคนสามประเภทก็คือคนเขา คนโง่และคนมักเหยาะเย้ยคนเบาพี่น้องครับคนเขานั้นก็เป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์เป็นพวกอินโนเซนต์นะครับหลงเชื่อง่ายไม่มีวิท ย, ยาญาณอาจจะมีไอคิวสูงครับแต่ไม่ใช้ถูกหลอกง่ายคนประเภทที่สองก็คือคนที่มักเหยาะเยะ้ยหรือผมใช้คำว่าคนที่เป่าปัญญาก็คือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นคนที่ชอบเหยียดหยามคนอื่น คนที่ชอบสบประมาทคนอื่นรังเกียจนะครับเดียดฉันและประเภทที่สามก็คือคนโง่คนโง่นั้นก็คือพวกประเภทดื้อรั้น <c oughs> นะครับดันทุรังครับแต่ด้านกระเดื่องคนทั้งสามประเภทนี้นะครับในเช้าวันนี้เราจะดูกันว่าผลจะเป็นยังไงแท้จริงแล้วในโพธนณะของพระเจ้าพระเจ้าได้เปรียบเทียบปัญญาเหมือนกับเป็นคนนะครับ ในข้อที่ยี่สิบสี่เพราะเราได้เรียกเจ้าแล้วและเจ้าปฏิเสธเรากวักมือแต่ไม่มีใครสนใจพี่น้องเห็นสภาพของปัญญานั้นเปรียบเสมือนคนใช่ไหมครับร้องเรียกครับกวักมือครับแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครที่จะรับรู้หรือเรียนรู้ในคําแนะนําของพระปัญญาเลยและไม่มีใครยอมรับคําตักเตือนของพระปัญญาด้วย พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าความทุกข์ยากลาบากห้าประการดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาหนึ่งความหายนะจะมาถึงเขาสองความกลัวจะมาถึงเขาสามเขาเรียกว่าความลําบากยากเย็นจะมาถึงเขาสี่ความทุกข์ยากลําบากความเจ็บปวดจะมาถึงเขาห้าความมะทมใจใหญ่หลวงจะมาถึงเขา ีงครับเราจะมาดูกั น, นครับว่าห้าคำนี้นะครับที่จะมาถึงคนที่โง่เขาและเบานะครับประการแรกคือภาษาอังกฤษใช้คว่า calamity calamity นั้นแปลว่าความหายนะเป็นภัยพิบัติที่ปวดร้าวภัยพิบัติที่เข้ามาในชีวิตของเขายกตัวอย่างเช่นภัยพิบัติจากธรรมชาตินะครับสึนามิแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติต่างๆที่สร้างความปวดร้าวให้แก่มนุษย์จะเกิดขึ้น อันที่สองครับเทอร์เรอร์เทอร์เรอร์ไปว่าความหวาดกลัวนะครับเรามีคําว่าโทรลิส์นะครับก็คือพวกก่อการร้ายเวลาที่ความหวาดกลัวนะครับเข้ามาพุ่งชนเรานะครับเขาเรียกสไตรค์นะครับความหวาดกลัวที่เข้ามาพุ่งชนเราก็จะเกิดขึ้นอันที่สามครับการทําลายหรือความหายนะจะเกิดขึ้นนะครับ destruction นะครับความหายนะอันที่สี่ครับคือ distress distress ก็เปิดแปเป็นความทุกข์ระทมครับเป็นความทุกข์ระทมใจนะครับและก็ประการที่ห้าครับใช้ควาว่า anguish anguish นั้นแปลว่าความเจ็บปวดรวดร้าวนะครับในหัวใจในความรู้สึกผมคืนเจ็บปวดในชีวิตห้าประการครับจะเกิดขึ้นกับเขาผมขออนุญาตทบทวนนะครับหนึ่งคือ calamity ที่แปลว่าภายัยพิบัติที่ปวดร้าวสองคือ terror นะครับความหวาดกลัวสามคือ destruction แปล ว, ว่าการทําลายกับความหายนะอนที่สี่ครับความทุกข์ยากลําบากอันที่ห้าครับคือความเจ็บปวดรวดนแล้วความทุกข์ขมขื่นห้าอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับคนที่โง่เขาและเบาปัญญาแล้วมันจะมาแบบไหนครับมันจะมาแบบพายุครับมันจะมาแบบกระทบเลยครับมันจะมาแบบลมบ้าหมูเลยทีเดียว พี่น้องครับเกิดเหตุการณ์ห้าเหตุการณ์นี้ในข้อที่ยี่สิบแปดนะครับพูดต่อว่าแล้วเขาจะทูลเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานทูลกับพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ตอบเพราะอะไรครับเพราะว่าเราปฏิเสธพระเยซูนั้นทรงเรียกเราจากเบื้องบน ให้เราต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่หลายคนปฏิเสธครับหลายคนปฏิเสธเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถไปถึงความรอดได้และนี่แหละครับเป็นเหตุที่ทําให้เมื่อเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในชีวิตของเขาเขาจะไม่มีที่พึ่งครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นได้ต้อนรับพระเยซูเป็นลูกของพระองค์เรายกพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทูลพระเจ้านะครับพระเจ้าจะตอบเราครับเราแสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์ได้เื่องครับแต่คนที่ไม่ชอบทำคนอัรทำคนที่โง่เข่าและเบานั้นก็ไม่สามารถที่จะพบพะองค์ได้เพราะว่าเขาเกลียดความรู้นะครับเขาเกลียดความรู้และเขาเมื่อไม่เลือกเอาความยำเตือนพระเจ้าเขาไม่รับคําแนะนําของพระองค์แต่ดูหมินคําตักเตือนของพระองค์ทั้งหมดพี่น้องครับนี่นี่เป็นประการที่ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทํานั้นนะครับจะมีผลกระทบกับชีวิตในอนาคตบ้านปลายของเราเพียงแค่เราดูต่อนะครับคนที่จะต้องเจ็บปวดคนที่จะต้องมีเกิดความรุฒิมใจใหญ่หลวงคนที่มีความหายันะคนที่มีความกลัวรานคนที่มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความเจ็บปวดรุนแรงของเราเหล่า น, น, นั้นนะครับเพราะพระเจ้าไม่ตอบนะครับ นี่เป็นประการแรกที่จะเกิดขึ้นกับเขาอันที่สองก็คือเขาจะรับผลแห่งทางของเขาเองเขาจะกินผลของเขาและอิ่มด้วยกลวิธีของเขากลวิธีแปลว่าวิธีการนะครับแมททอปนะครับก็คือวิธีที่เขาทําอันตรายคนอื่นวิธีที่เขาโกงคนอื่นวิธีที่เขาดัดเอาดักเอาชีวิตของคนอื่นวิธีที่เขากั่นแก้งคนอื่นเข้นะครับ เขาจะได้รับการตอบสนองนะครับในข้อที่สามสิบเอ็ดครับเพราะฉะนั้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขาและอิ่มด้วยกลวิธีของเขาเองนะครับประการสุดท้ายครับคนที่โง่เขาบ่าวปัญญาจะเกิดผลอะไรบ้างอันที่สามครับถูกทําลายครับถูกฆ่าข้อที่สามสิบสองเพราะคนโง่ถูกฆ่าด้วยการหันกลับจากปัญญาคนโง่ที่หลงเพลิดเพลินกับความโง่กับความอาธรรมนั้น ก็ถูกทำลายดังนครับนี่คือสิ่งสามประการนะครับถามว่าทำไมคนโง่ถูกค่าก็ด้วยการหันกลับจากปัญญาครับ Lack of concern of wisdom ครับ Lack of concern of wisdom แปลว่าเขาไม่สนใจปัญญาหันกลับจากปัญญาเพื่อเพลินอยู่กับความอธรรมครับก็ในที่สุดก็ถูกฆ่างนะครับขออนุญาตทบทวนสาประการนะครับสามประการ เมื่อคนเราเกิดความหายนะความทุกข์ยากลําบากความกลัวนะครับเกิดความเจ็บปวดวรุนแางเพราะเนื่องจากว่าไม่ฟังปัญญานะครับไม่ฟังปัญญาจะมีสามอาการก็คือทูลพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ตอบอันแรกอันที่สองก็คือว่าจะต้องรับผลแกงของการกระทําและกลวิธีของตัวเองที่เคยทําคนอื่นมาอันที่สามครับก็คือเขาจะถูกฆ่าสูญเสียชีวิตครับเพราะว่า ปราจากปัญญาแล้วก็ปฏิเสธศปัญญาในข้อสามที่สามครับพระองพีจบด้วยความสวยงามมากว่าแต่บุคคลที่ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างฉุกสงบปราจากความพ่านพึงในความชั่วร้ายเพียงครับพระองพีตอนนี้เล่ารวมใจและทำให้จิตใจของเราเน้นชุ่มฉ่ําเพราะอะไรครับคนที่ฟังพระเจ้าจะอยู่อย่างปลอดภัยคนที่มีพระเจ้านะครับ อยู่กับเขาเขาจะปลอดภัยคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังคําเตือนของพระปัญญาก็จะอยู่อย่างปลอดภัยและไม่มีความกลัวครับไม่มีความท่านพึงไม่มีความกลัวเพราะว่าอะไรครับเขาเข า, เขามีเฟสนะครับไม่มีเฟียเฟียแต่มีเฟสฟาอิจเฟสก็แปลว่าความเชื่อนั่นเองปราชาความกลัวนะครับเอาชนะความกลัวด้วยความเชื่อ ด้วยความเชื่อฟังอเมน